ต่อไปนี้จะพูดธรรมะให้พวกท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นการสดับสติปัญญาบารมีที่จะนำมาซึ่งผลอันเลิศอันประเสริฐ เรามากันวันนี้เรามาเพื่อมาเจริญหลักธรรมกันการเจริญหลักธรรมก็เพื่อให้เกิดหลักใจถ้าเรามีหลักใจเราก็จะมีที่พึ่งเราก็จะไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่พึ่งไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งชั่วคราวเป็นสิ่งที่มีวันที่จะต้องหมดไปตอนนี้พวกเรายัางต้องเพิ่งสิ่งต่างๆอยู่ก็เพราะว่าใจเรายังไม่มีหลักการที่ใจเราไม่มีหลักก็เพราะว่าเราไม่มีธรรมที่เป็นหลักนั่นเองเราจึงต้องมาเจริญหลักธรรมกัน ทำอันใดที่เรียกว่าเป็นธรรมที่เป็นหลักก็คือสติสมาธิปัญญานี่เองถ้าเราจะเรียนสติสมาธิปัญญาได้เราก็จะได้หลักใจเราได้หลักใจเราก็จะได้มีที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งของตน มีอัตตาหิอัตโนนาโถไม่จําเป็นจะต้องพึ่งผู้อื่นไม่จําเป็นจะต้องพึ่งสิ่งต่างๆอย่างที่คนส่วนใหญ่คนส่วนมากพึ่งกันคนส่วนมากคนส่วนใหญ่ตอนนี้พึ่งอะไรกันก็พึ่งลาบยศสรรเสริญพุ่งพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะในรูปของบุคคลต่างๆในรูปของสิ่งต่างๆนี่ แต่ราบยศสรเสริญรูปเสียงกิรลดโปรภาล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังคือมีมีเกิดได้ก็มีดับได้มีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้เป็นอนัตตาก็คือไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราก็เป็นแบบสมบัติชั่วคราว สมบัติผลัดกันชมได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปไม่สามารถยับยั้งความจริงอันนี้ได้ไม่สามารถห้ามไม่ให้เกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเมื่อเกิดการสูญเสียเกิดการไม่ได้สิ่งที่อยากจะได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นั่นก็เพราะว่าใจไม่มีหลักไม่มีที่พึ่งในตัวเองต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆที่พึ่งไม่ได้นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงเป็นบุคคลแรกที่ทรงได้ค้นพบหลักใจด้วยการเจริญหลักธรรมพอพระองค์ได้ทรงเจริญสติสมาธิปัญญาพองค์ก็จะได้พบกับหลักใจ เมื่อได้พบกับหลักใจก็ไม่ต้องเพิ่งสิ่งต่างๆต่อไปหลังจากที่พระ อ, องค์ได้พบหลักใจด้วยการเจริญหลักธรรมแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงนําเอาวิธีการเจริญหลักธรรมนี้มาเผยแพ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อเบบิรยิยะความอุตสาห ความพยายามความภาคเพี่ยนที่จ ะ, จะเจริญหลักธรรมคือจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาก็จะได้รับหลักใจเป็นที่พึ่งของตนต่อไปหลักใจที่เป็นที่พึ่งของเรานี้ก็มีอยู่หลายระดับด้วยกันระดับโลกิยะก็มีระดับโลกุตตระก็มี ระดับโลกิญะนี้เป็นระดับที่ยังมีการเจริญมีการเสื่อมได้ส่วนระดับโลกุตระนี้จะมีแต่การเจริญโดยถ่ายเดียวไม่มีไม่มีเสือ่อมจนถึงขั้นสูงสุดทำหลักทำที่เป็นโลกิญะหลักใจที่เป็นโลกิญะก็คืออะไรก็คือสมาธิขั้นต่างๆนั่นเอง ที่เราเรียกว่าฌานขั้นต่างๆมีรูปฌปานสี่มีอรูปฌานสี่มีมีนิโรธสมาบัติอันนี้เรียกว่าเป็นหลักใจที่เป็นโลเกียเพราะว่ามีการเจริญและมีการเสื่อมได้ถ้าไม่รักษาไว้ทิ้งไว้ ฌานก็จะเสื่อมไปหมดไปได้หรือเข้าไปในฌานแล้วก็จะสงบได้ในระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็ต้องถอยออกมาถอยออกมากลับมาสู่วาระปกติของจิตถ้าอยากจะกลับเข้าไปก็ต้องเจริญสติใหม่ต้องนั่งสมาธิใหม่ก็จะกลับเข้าไปสู่ความสงบ ที่เป็นหลักใจได้ชั่วคราวแต่ถ้าอยากจะได้หลักใจที่ถาวรที่ไม่เสื่อมก็จําเป็นจะต้องเจริญดักธรรมขั้นที่สูงกว่าก็คือตั้งเจริญปัญญาต้องพิจารณาอนิจจทุกขังอนัตตาพิจารณาอริยสัจสีพิจารณาอสุภถ้า ได้เจริญปัญญาแล้วก็จะได้ก้าวเข้าสู่โลกุตระธรรมเข้าสู่หลักใจที่เป็นโลกุตระก็คือจะไม่เสื่อมได้อะไรไมาแล้วก็จะอยู่คงไปจะคงไว้ไม่มีวันเสื่อมแต่ก็มีเป็นขั้นขั้นเช่นเดียวกับของโลกิยะ โลกุตละธรรมที่เป็นหลักใจก็มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันก็คือขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอาราหันต์ถ้าได้เจริญหลักธรรมจนได้บรรลุขั้นโสดาบันแล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมจากการเป็นโสดาบันแต่ถ้าอยากจะก้าวขึ้นสู่ ทำที่สูงกว่าขั้นสูดาบันก็ยังจําเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาเพิ่มขึ้นไปอีกจนก้าวเข้าสู่ขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีไปแล้วก็ในที่สุดก็ถึงขั้นอรหรันพอถึงขั้นอรหันแล้วก็ไม่มีธรรมที่จะสูงกว่านี้ที่จะต้องเจริญอีกต่อไปได้หลักใจที่สมบูรณ์แบบดับความทุกข์ ทุกชนิดได้หมดสิ้นไปขั้นโสดาบันนี้ยังดับได้ดับความทุกข์ได้เพียงบางส่วนยังไม่สามารถดับความทุกข์ได้หมดขั้นสกิดาคามีก็ดับเพิ่มมากขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งพระขั้นอนาคามีก็ดับเพิ่มขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งแต่ก็ยังไม่หมดจะหมดก็ต่อเมื่อได้ถึงขั้นอรหันต์เท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นไขรก็ตามนองนั่อได้เข้าสู่ขั้นโสดาบันแล้วก็จะเหมือนกับไฟที่ลุกแล้วจะไหม้เชื้อไปเรื่อยๆจนกาเชื้อจะหมดไปดังนั้นผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสแห่งธรรมก็คือเข้าสู่ขั้นโสดาบันแล้วคำว่าโสดานี่ก็แปลว่ากระแสนี้เอง กระแสแห่งพระนิพพานกระแสน้ำที่จะพาให้ผู้ที่เข้าสู่กระแสนี้ได้ลอยไปถึงพระนิพพานจะช้าหรือจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับความวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรขึ้นอยู่กับกำลังของปัญญาว่ามีความฉลาดแหลมคมมากน้อยเพียงไร บางท่านก็สามารถบรรลุสี่ขั้นได้ในเวลาอันใกล้ชิดอย่างรวดเร็วได้ขั้นที่หนึ่งก็เข้าสู่ขั้นที่สองขั้นสู่ขั้นที่สามและขั้นที่สี่ไปตามลำดับในแทบจะเรียกว่าเป็นในเวลาเดียวกันเลยดัยงที่มีนิทานที่ได้แสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่ามีพระรูปหนึ่งตอนที่ท่านโปรงผม พอท่านโปรงลงมีโกนลงครั้งแรกก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพอมีดโกนตะศีศะครั้งที่สองก็ได้เป็นสกิดาคามีพอขั้นที่สามก็ได้เป็นอนาคามีพอขั้งที่สี่ก็ได้เป็นพาาระอรหันต์อันนี้คือเรื่องของการเจริญหลักใจบรรลุมรรคผลนิพพาน บุโกรกละธรรมของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนี้มีวาละมีเวลาที่ไม่เหมือนกันบางท่านก็เร็วหน่อยบางท่านก็ช้าหน่อยอย่างที่ครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาถ้อยแผ่รธรรมะให้แก่สัตว์โลกโดยมีพระปัญจะวคีห้ารูป เป็นผู้รับฟังหลังจากที่ได้ทรงสแสดงธรรมเสร็จแล้วทรงสแสดงอริยสัจสี่ทรงสแสดงมรรคแปดทรงสแสดงอันนี้จางความไม่เที่ยงและปรากฏมีหนึ่งในพระปัญจวคัคคีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแต่อีกสี่รูปยังไม่ได้บรรลุอันนี้ก็สแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของระดับสติปัญญา ของแต่ละบุคคลว่ามีไม่เท่ากันผู้ใดมีสติปัญญาก็เหมือนกับมีภาชนะที่จะรองรับธรรมะอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรง เ, เทใส่ให้ถ้าไม่มีภาชนะก็จะไม่สามารถเก็บธรรมะอันประเสริฐที่ได้ทรง เ, เทใส่ให้ได้ก็ยังไม่ได้ มีหลักใจมีเพียงองค์เดียวที่มีภาชนะคือพระอ ญ, ญิยโกนทัญญะมีปัญญาที่ฟังแล้วเข้าใจความหมายของความไม่เที่ยงเข้าใจของความหมายของความทุกข์ที่เกิดจากการไปยึดไปติดอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าถ้ายึดกับสิ่งใดที่ไม่เที่ยงแล้วย่อมต้องมีความทุกข์ตามมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ยึดไม่ติด ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงนั่นเองก็คือเห็นอนิจจังเห็นว่ามีเกิดต้องมีดับถ้าอยากได้อะไรก็ต้องพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะต้องดับที่จะต้องตามมาต่อไปถ้าไม่อยากได้กับพบกับสิ่งที่ต้องดับก็อย่าไปเอาสิ่งที่ต้องดับมาก็เท่านั้นเอง อันนี้ก็เรื่องของปัญญาของแต่ละท่านแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้แสดงอนัตตลักษณสูตรแสดงว่าให้เห็นว่าสภาวะธรทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีเป็นไม่มีตัวตนไม่มีเป็นของใครเป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับไม่เที่ยงแท้แน่นอน วกวบุมบังคับไม่ได้ถ้ายึดถติดก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็บรรลุเป็นพระอนันต์ขึ้นมาได้พร้อมกันเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการได้หลักใจขั้นต่างๆตามแต่กำลังของแต่ละท่านกันอย่างพระ อ, อานนี้ท่านก็ ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตอนที่ได้ตอนที่ยังรับใช้อุปถาพระพุทธเจ้าอยู่แต่ก็ไม่ได้บรรลุถึงขั้นพระอาหารหันต์จนถึงหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันจากโลกนี้ไปแล้วท่านเป็นโสดาบันต้องยี่สิบกว่าปีด้วยกันเพราะท่านไม่มีเวลาที่จะไปปริกวิเวกที่จะไปเจริญปัญญาเพื่อให้ ได้ทำขั้นสูงต่ อ, อไปแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธ์พระปรินิพานไปแล้ว mm. ก็มีเวลาที่ออกไปปีกวิเวกไปเจริญสติสมาธิปัญญาเจริญปัญญาขั้นที่สูงกว่าขั้นของพระสุดามันก็คือเจริญอสุภะถ้าเจริญอสุภะได้ก็จะได้ขั้น สกิดาคามีและขั้นอนาคามีแล้วถ้าเจริญอนัตตาได้ก็จะได้ขั้นอาลัยตามลําดับต่อไปท่านก็สามารถเจริญได้ภายในระยะเวลาสามเดือนจากขั้นโสดาบันขึ้นไปแต่ยี่สิบห้าปีที่รับใช้พระพุทธเจ้านั้นไม่มีเวลาที่จะไปเจริญไปปีกวิเวกใจไม่ได้พิจารณาสุภะไม่ได้พิจารณาอนัตตา เมืออ่อบกมุ่นอยู่กับการอุปถรัรมภ์อุปถาสรับใช้พระพุทธเจ้าก็เลยทำให้บรณุ ธ, ธรรมเป็นคนสุดท้ายในบรรดาพระอาลหลาห้าร้อยรูปที่จะมาร่วมสังายณาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปนานิพันา์ไปแล้ว อันนี้ก็คือเรื่องของการเจริญหลักธรรมเพื่อให้ได้หลักใจระยะเวลาของแต่ละท่านนี้จึงมีเวลาที่ต่างกันอย่างในท้ายพสูตรของสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้แล้วว่าถ้าผู้ใดสามารถเจริญหลักธรรมคือสติสมาธิและปัญญา ่ามที่ทรงแสดงไว้ในสติปฐานสูตรได้ผู้นั้นย่อมสามารถบรรลุหลักใจได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากอันนี้ขึ้นอยู่กับ อ, อินทรีย์ของแต่ละท่านขึ้นอยู่กับศรัทธาวิริยะที่จะมีกำลังที่จ ะ, ะเจริญสติ สมาธิปัญญาได้มากน้อยเพียงไรได้รวดเร็วเพียงไรแต่ผลเมื่อได้แล้วก็จะเท่ากันหมดเหมือนกับผู้ที่รับปริญญาจะรับปริญญาปีนี้หรือปีหน้าหรือปีที่แล้วปริญญาก็มีน้ำหนักเท่ากันมีคุณค่าเท่ากันหลักใจที่แต่ละบุคคลจะเพิ่งได้รับ ก็เป็นอย่างนั้นจะได้หลักใจในสมัยพระพุทธการหรือจะได้หลักใจในสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นหลักใจอันเดียวกันมีคุณค่ามีคุณสมบัติอย่างเดียวกันก็คือดับความทุกข์ภายในใจได้เช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของการจเจริญหลักธรรมเพื่อให้เกิดหลักใจตามมา เราจึงต้องมาให้ความสําคัญต่อการเจริญหลักใจหักธรรมหลักธรรมที่สําคัญที่สุดก็คือสติต้องเริ่มต้นที่สติเพราะถ้าไม่มีสติก็จะไม่เกิดสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่มีเครื่องมา้าเครื่องมือที่จะใช้ในการเจริญปัญญามเมื่อไม่มีปัญญาก็จะไม่มีหลักใจ คือไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีสมาธิไม่มีความสงบการปฏิบัติจึงมองข้ามเรื่องของการจเจริญสติไปไม่ได้จเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้ใจสงบเมื่อใจสงบแล้วก็จะสามารถพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเรา ว่าไม่สวยไม่งามได้ถ้าไม่ถ้าไม่มีความสงบก็จะไม่สามารถพิจารณาได้เพราะจะไม่มีกำลังที่จะพิจารณาจะถูกกำลังของกิเลสตันหาดึงไปให้เห็นว่าเที่ยงให้เห็นว่าสวยงามให้เห็นว่าสุขให้เห็นว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานั่นเอง ทมที่พระเจ้าทรงสแสดงในสติปัฏฐานสีน่นี้ก็คือการเจริญสติการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญานี้เองผู้ที่ศึกษาอ่านพระสูตรนี้จึงต้องรู้จักแยกแยะว่าทรงสแสดงหลักธรรมนี้ในส่วนไหนเช่นตอนต้นทรงตัดบอกให้พระภิกษุไปนั่งอยู่ตามโคนไม้ ไปนั่งอยู่ตามสถานที่สงบสงัดวิเวกตั้งตัวให้ตรงแล้วก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออกให้มีสติเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกเพื่อที่จะยับยั้งไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นนถ้าใจจดจอ่ออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ถ้าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แสดงว่าไม่ได้เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกก็แสดงว่าไม่ได้เจริญสติถ้าไม่ได้เจริญสตินั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลก็คือไม่เกิดความสงบไม่เกิดสมาธิขึ้นมานั่นเองผู้ที่เจริญอน า, นาปนาสติคือการกาหนดดูลมหายใจเข้าออกจาเป็นจะต้อง เฝ้าดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้และขณะที่ดูลมไปถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ก็ไม่ให้ไปสนใจให้สนใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความเป็นหนึ่งที่เรียกว่าเอกคัตตาลมเข้าสู่ ความเป็นอุบเบกขาตอนนั้นถึงจะปล่อยลมได้ปล่อยวางลมไปหรือบางครั้งเวลาภาวนาไปเจริญสติไปดูลมไปก็จะเห็นว่าลมนี้ค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนในที่สุดจะไม่สามารถรับรู้ว่ามีลมอยู่หรือไมอ่อันนี้ก็ไม่ต้องไปวิตกกังวล บางท่านพอไม่สามารถจับลมได้ก็เกิดความวิตกว่าตอนนี้ไม่ได้หายใจเดี๋ยวจะตายหรือเปล่าขอเกิดความวิตกก็จะดืงใจให้ข้อหาพยายามหายใจแรงๆขึ้นเพื่อให้เพื่อใ ห, ให้ให้รู้ว่ายังหายใจอยู่อย่างนั้นก็จะดืงใจที่กําลังละเอียดที่จะเข้าสู่ความสงบนั้นกลับมาหยาบต่อไป ทงที่ถูกก็คือให้รู้ว่าตอนนี้ลมละเอียดถ้าไม่มีลมก็ให้รู้ว่าสักแต่ว่ารู้ไปเฉยๆตราบใดท่าใจไม่ไปรู้เรื่องอื่นไม่ไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อันนี้ก็เป็นการเจริญสติด้วยการใช้ลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นหลักที่ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐาน แต่สำหรับบางท่านนี้จะจะใช่อย่างอื่นแทนลมหายใจเพื่อเป็นการเจริญสติเพื่อให้เข้าสู่สมาธิก็ได้เช่นบางท่านก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้ก็ใช้แทนกันได้ใช้แทนลมหายใจได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปโดยที่ไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกให้เฝ้าดูให้เฝ้าอยู่กับคำบริกรรม ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของลมหายใจไม่ต้องไปสนใจว่าฐานของลมอยู่ตรงไหนฐานของพุทโธอยู่ตรงไหนฐานของพุทโธนี้ไม่มีฐานฐานของพุทโธก็คือคาบริกรรมนี้ให้รู้อยู่กับคาบริกรรมให้เกาะติดอยู่กับคาบริกรรมเพื่อไม่ให้จิตแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเอง ก็จะนําเข้าสู่ความสงบได้เช่นเดียวกันพอเข้าสู่ความสงบก็จะได้หลักใจที่เป็นหลักใจชั่วข่าวก็คือจะสงบอยู่ได้สักระยะหนึ่งถ้าสงบนานก็จะเรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าสงบชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาก็จะเรียกว่าคณิกะสมาธิซึ่งสําหรับผู้ที่ปฏิบัติ ส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก็จะสัมผัสกับคณิกะสมาธิคือจิตจะเข้าไปเพียงขณะเดียววุบเดียวแล้วก็ถอนออกมาอันนี้เพราะว่ากำลังของสติยังมีไม่มากพอมีพอที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้แต่พอเข้าสู่ความสงบแล้วก็ถูกกำลังของกิเลสตัณหาลักดันออกมา แต่ถ้ากลับมาเจราญสติต่อหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วออกจากสมาธิมาถ้าใช้บริกรรมพุทธโธก็ให้บริกรรมพุทธโธต่อไปไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ให้บริกรรมพุทธโธไปไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเลื่อยเปือ่อยให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดแต่ถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องคิด เพราะว่าต้องทำภารกิจการงานต้องใช้ความคิดตอนนั้นก็พักการบริกรรมพุทโธไว้ชั่วอกาวแล้วก็ให้มีสติอยู่กับความคิดในเรื่องงานการไปเมื่อเสร็จจากภารกิจการงานแล้วเช่นถ้าเป็นพระก็ออกมาต้องปัดกวาดต้องสงน้ำอาบน้ำต้องซักดีวออย่างนี้ก็ให้มีสติเฝ้าดู การงานที่กำลังทำอยู่แต่ถ้าเป็นการงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดจะใช้คำบริกรรมกำกับไปได้ควบคู่กันก็ได้เช่นปัดกวาดก็พุทโธพุทโธไปสงน้ำก็พุทโธพุทโธไปทักจีวรก็พุทโธพุทโธไปบินทบาดก็พุทโธพุทโธไปกบฉันอาหารก็พุทโธพุทโธไปก็ได้ หรือจะใช้การเฝ้าดูการกระทําของร่างกายแทนพุโทโธก็ได้เช่นขณะที่ปัดกวาดก็ให้มีสติอยู่กับการปัดกวาดขณะที่สูงน้ำก็ให้มีสติอยู่การสูงน้ำขณะที่ขบฉันบินทบาทก็ให้มีสติอยู่กับการขบฉันกับการบินทบาดไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอเสร็จจากภารกิจต่างๆมีเวลาว่างก็ให้กลับเข้ามานั่งสมาธิต่อถ้าใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธต่อไปหรือถ้าเหนื่อยไม่อยากจะใช้กรรมบริกรรมจะใช้ลมหายใจเข้าออกแทนก็ดูลมหายใจเข้าออกต่อไปจนกว่าใจจะเข้าสู่สมาธิถ้าทำอย่างนี้อยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปการเข้าสมาธิก็จะง่ายและเร็ว และจะได้อยู่อยู่ได้นานในเบื้องตอ้นนี้เราต้องพยายามสร้างฐานคือความสงบของใจฐานของสมาธิให้แข็งแกร่งก่อนถ้าเรามีความแข็งแกร่งในฐานของสมาธิแล้วสามารถเข้าสมาธิได้ตามทุกเวลานาทีที่เราต้องการอยากเข้าเข้าแล้วก็สามารถตั้งอยู่ได้นานอย่างนี้จึงจะเรียกว่า มีหลักใจในเริ่มต้นก็มีดักของสมาธิมีสติที่จะทำให้ใจสงบแล้วอย่างนี้พอออกจากความสงบมาขั้นต่อไปเราก็ต้องเจริญปัญญาแล้วไม่ใช่มาเจริญสติเพียงอย่างเดียวเช่นบริกรรมพุทธโธหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้ว ตอนนี้เราต้องเริ่มสอนใจให้เห็นสภาวะธรรมความจริงก็คือร่างกายนี้เป็นเบื้องต้นให้พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามาจากดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปพิจารณาเวทนาที่เกิดจากร่างกาย เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาหรือเวลานั่งสมาธิไปนานๆร่างกายก็จะมีความเจ็บปวดตามส่วนต่างๆอันนี้ก็ให้พิจารณาเวทน า, ทนาไปว่าไม่เที่ยงเช่นเดียวกับร่างกายมีเจริญมีเสื่อมเป็นอนัตตา เป็นธรรมที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เช่นมีทุกขเวทนาจะไปสั่งให้ทุกขเวทนาหายไปก็สั่งไม่ได้ถ้าอยากจะให้หายก็จะเกิดทุกขในอริยสัจสี่ขึ้นมาทุกที่เกิดจากความอยากอยากให้ทุกขเวทนาหายไปการปฏิบัติก็เพื่อที่จะดับความทุกข ในอริยาาสัจสี่นั่นเองทุกในเวทนาทางร่างกายนี้ดับไม่ได้แต่ทุกในอริยาาสัจสี่ที่เกิดจากความอยากนี้ดับได้ด้วยการสอนใจไม่ให้ไปอยากให้ทุกขเวทนาทางร่างกายหายไปให้ปล่อยวางให้ทุกขเวทนาทางร่างกายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเองถ้าเขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไป ถ้าเขาจะดับก็ปล่อยเขาดับไปแต่ใจนี้ต้องไม่ไปอยากให้เขาดับไปเป็นอันคาเพราะถ้าเกิดความอยากก็จะเกิดทุกข์ในอริยรรสัจสี่ขึ้นมาการที่จะทําให้ไม่ให้เกิดทุกข์ในอริยสัจสี่ก็ต้องเจริญปัญญานี้เองให้เห็นว่าทุกขเวทนาทางร่างกายนี้เป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่ไป สั่งเขาได้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเราไม่สามารถไปสั่งให้ฝนไม่ตกไม่ได้ฝนจะตกเราก็ห้ามเขาไม่ได้ฝนไม่ตกจะสั่งให้เขาตกก็ไม่ได้เช่นเดียวกันก็ต้องปล่อยให้เป็นไปาตามเหตุตามปัจจัยของเขาทุกขเวทนาจะเกิดหรือไม่เกิดก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยทางร่างกาย ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาร่างกายขาดอาหารก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาขาดน้ําก็เกิดเวทนาขึ้นมาสัมผัสกับอากาศที่ร้อนเกินไปลรือหนาวเกินไปก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่ถ้าใจพิจารณาว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาก็ไม่ใช่เราก็ปล่อยให้ กลายเป็นไปตามเรื่องของเขากายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยเขาเจ็บไปเวทนาความเจ็บทางร่างกายจะเกิดขึ้นก็ต้องปล่อยให้เจ็บไปถ้ารักษาได้อยู่ในวิสัยก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปแต่อย่าไปให้เกิดความอยากขึ้นมาเป็นอันขาดถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีทุกข์ในอริยสัจ ส, สี่ ที่เป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความทุกข์ทางทุกขเวทนาหลายสิบเท่าเดยกันผู้ที่ไม่มีทุกข์ในอริยสัจสี่ยังไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ในในเวทนาทุกขของทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหากับผู้ที่ไม่มีความทุกข์ในทางในอริยสัจสี่ก็คือไม่มีความอยาก ให้ความเจ็บปวดของร่างกายหายไปอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้เหมือนใจจะรู้สึกเหมือนกับไม่เหมือนกับเวลาที่ร่างกายไม่เจ็บร่างกายเจ็บหรือไม่เจ็บถ้าใจไม่มีความอยากใจจะไม่มีความทุกข์เลยอันนี้แหละเรียกว่าการพิจารณาตายรักณพิจารณาอริยสัจสี่ถ้าเห็นตายรักเห็นอริยสัจ ก็จะทําใจให้เป็นอุเบกขาได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางทุกขเวทนาได้ปล่อยได้ก็จะได้บรรลุทำขั้นโสดาบันแล้วถ้าพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายก็จะกําจัดกามราคะความยินดีในความสวยงามของร่างกายเพราะว่า ได้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายนั่นเองเห็นเห็นร่างกายนตอนที่ตายไปแล้วว่ายังสวยงามเหมือนกับตอนที่มีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือเห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังของร่างกายเช่นเห็นโครงกระดูกของร่างกายเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลาไส้หรือเห็นสิ่งที่เป็น สิ่งปฏิกูลต่างๆที่ถูกขับออกมาตามทวารต่างๆถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะทำให้การมราคะนี้อ่อนกำลังลงไปและหมดไปได้ในที่สุดถ้าทำให้การมราคะนี้เบาบางลงไปก็เรียกว่าได้บรรลุ ข, ขั้นสกิณาคามี ถ้าสามารถทำให้การมาราคานี้หมดสิ้นไปก็เรียกว่าอนาคามีนี่คือหลักใจที่เกิดจากการเจริญสติปัฏฐานในเวทนาและในในกายในร่างกายผู้ที่พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอสุภะไม่สวยไม่งาม ก็จะสามารถบรรลุถึงขั้นพระอนาคามีได้ส่วนผู้ที่พิจารณาจิตว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเช่นเหมือนเหมือนกับร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราของเราจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราจิตเป็นเพียงผู้รู้เป็น เ, เป็นธรรมชาติที่รู้มีความรู้สึกนึกคิดไม่มีตัวตนเช่นเดียวกัน ถ้าพิจารณาปล่อยวางอัตตาตัวตนในจิตได้ก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้นี่คือหลักใจขั้นต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการที่เจริญหลักธรรมก็คือสติสมาธิและปัญญาการที่จะเจริญหลักธรรมสติสมาธิปัญญาได้ก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อ เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรความอุตสาหะความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นดังนั้นหน้าที่ของพวกเราจึงต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นให้มากๆเพื่อให้เกิดวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียร ที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจทุ่มเทยยเวลาทั้งหมดให้กับการจเจริญหลักธรรมก็คือการจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาการที่จะเกิดสติกิการที่จะเกิดศรัทธาเกิดวิริยะความอุตสาภาคเปลี่ยนไนดะ้ก็ต้องเกิดจากการได้ศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจนเกิดความประทับใจขึ้นมา ศึกษาถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระอาลหานตัสสาวกทั้งหลายศึกษาถึงผลที่ท่านทั้งหลายได้รับกันว่าระเ s ร e r เดิศโลกอย่างไรว่าวิเศษอย่างไรว่าดีกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้อย่างไรเพราะผลที่ท่านได้รับนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้ท่านได้การล่ำรวยด้วยเงินทองกองเท่าภูเขา ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ไม่สามารถทําให้ใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับการเสื่อมกับการเจริญของสิ่งต่างๆได้แต่การเจริญหลักธรรมนี้จะทําให้ใจมีหลักใจมีความมั่นคงมีความหนักแน่นมีเหมือนเกราะคุ้มครองจิตใจไม่ให้ทุกข์กับการเจริญและการเสื่อมของสิ่งต่างๆ ไม่ให้ทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆที่มีการเกิดขึ้นอยู่เสมอได้ถ้าเราได้ฟังได้ยินแล้วก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเหมือนกับบุคคลต่างๆในสมัยพุทธกาลที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาพร้อมที่จะปฏิบัติเป็นมหาเศรษฐีก็สสาสมบัต เป็นราชโอรสก็สละราชสมบัติออกบวชตามรอยพระบาทกันเป็นจนํานวนมากแม้แต่ในสมัยปัจจุบนันนี้ก็มีผู้ที่หลังจากได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาที่อยากจะออกปฏิบัติกันออกบวชกันสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละความสุขทางร่างกายวุ่นเข้าสู่ การปฏิบัติการเจริญหลักธรรมการเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อให้ได้หลักใจก็คือความสงบของใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้เป็นความสุขที่เป็นที่พึ่งของใจได้เพราะจะไม่มีความทุกข์เข้ามาลบล้างความสุขนี้ได้เลยนี่คือหน้าที่ของพวกเรา พยายามศึกษาธรรมะให้มากๆโดยธรรมะที่เป็นของแท้ของจริงศึกษาจากพระไตรปิฎกก็ได้ศึกษาจากพระอรหันตสาวกก็ได้จะได้ธรรมที่เป็นธรรมทั้งแท่งและเป็นธรรมที่ไม่มีอะไรแปลกปอมเข้ามาที่จะทำให้เกิดความลังเลงสงสัยไม่มั่นใจฟังแล้วจะเกิดความมั่นใจ เพราะธรรมของท่านเหล่านี้เป็นธรรมที่เกิดจากการปฏิบตัติเกิดกเกิดจากการกั่นกรองเกิดจากการได้สัมผัสรับรู้แล้วไม่มีความลังเลสงสัยในการแสดงทุกอย่างเป็นสวากขาตะธรรมก็คือเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วชอบต่อความถูกต้องตามหลักความจริงนี้เอง ถ้าได้ฟังธรรมแบบนี้ได้ศึกษาธรรมแบบนี้แล้วจะต้องเกิดศรัทธาขึ้นมาอย่างแน่นอนจะต้องเกิดวิริยะความอยากที่จะปฏิบัติความภาคเพียรแล้วพอได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้สัมผัสกับผลที่จะเกิดขึ้นตามลาดับตั้งแต่ขั้นโลกิยะก็คือขั้นสมาธิขึ้นไป จนถึงขั้นโลตัวโลกุตตะละก็คือขั้นมรรคผลนิพานมรรคสีผลสีนิพาน1นึ่งนี่ก็คือโลกุตตะละธรรมมรรคผลก็เป็นคู่คู่คู่แรกก็มรรคผลของสวสดาบันสวสดาปฏิมรรคสวสดาปฏิผลคู่ที่สองก็สะสกิดาคามีมรรคสกิดาคามีผล ขั้นที่สมก็อนนาคามีมรักอนนาคามีผลขั้นที่สี่ก็อาหลัตมรักอาหลัตผลมรักก็คือการเจริญปัญญานีเองเจริญอนิจจ์ทุกข์ขาในขั้นต่างๆขั้นโสดดาบันก็เจริญร่างกายเจริญเวทนาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์นอนัตตาขั้นสกิทาคามีขั้นอนนาคามีก็เจริญ อสุภะความไม่สวยงามของร่างกายจิตนาว่าร่างกายนี้มีส่วนที่ไม่สวยงามอยู่ส่วนที่สวยงามก็มีแต่ถ้าไปมองส่วนที่สวยงามก็จะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเกิดความอยากขึ้นมาถ้ามองในส่วนที่ไม่สวยก็จะดับกามอารมณ์ได้ถ้ามองเข้าไปข้างในภายใต้ผิวหนังมองเห็นเอาไ ว, ว้ว่าที่ ถูกผิวผิวหนังนี่ปกปิดเอาไว้ก็จะเห็นว่าไม่สวยงามหรือเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายก็จะดับความอยากในกามไนดะ้ดับการอารมณ์ได้ก็เรียกว่าการการจเจริญอัป ส, สุภานี่ก็เรียกว่าเป็นโสดาปฏิอันนี้ สกิดาคามีมรักกับอนาคามีมรักแล้วถ้าสามารถเห็นอสุภาษดับกับการมาลลมได้บางส่วนทําให้เบาบางลงก็เป็นสเก็ตสกิดาคามีผลถ้าเห็นตลอดเวลาไม่ว่าเืนตาหรือหลับตาต่อให้เป็นนางงามจักรวาลหรือเป็นดาราภาพยนตร์มีรูปร่างหน้าตาสวยงามขนาดไหน ก็มองทะลุเข้าไปข้างในได้อย่างชัดเจนมองเห็นอวัยวะต่างๆได้อย่างชัดเจนก็จะบรรลุเป็นพระอนาค า, ามีได้อนาค า, ามีผลมรรคผลเป็นอย่างนี้มรรคก็คือการเจริญปัญญาเพื่อที่จะให้เห็นเห็นความจริงของธรรมขั้นนั้นเห็นแล้วก็จะดับ กิเลสตัณหาหรือความหลงในธรรมขั้นนั้นได้การพระอรหัตตมรรคก็พิจารณาอนัตตาพิจารณาอวิชชาที่มีอยู่ภายในใจถ้าพิจารณาเห็นอนัตตาเห็นอวิชชาแล้วก็ปล่อยวางได้หยุดได้ก็จะบรรลุเป็นอรหัตตผลขึ้นมานี่มรรคสีผลสี พอได้อรหัสผลแล้วก็จะเป็นนิพพานตามมาทันทีนิพพานนี้เป็นความสงบเป็นปรมังสุขขังเป็นความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันเสือ่อมความสุขขั้นโสดาบันนี้ยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มร้อยเช่นเป็นเหมือนกับดวงจันทร์ก็เป็นดวงจันทร์เสี้ยวหนึ่งถ้าขัา้ขนสกิทาคามีก็สว่างขึ้นอีกหน่อย ขั้นอนาคามีก็สว่างขึ้นอีกหน่อยพอถึงขั้นอรหันต์ก็สว่างเต็มดวงเป็นพระเป็นพระจันทร์เต็มดวงพอเป็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็จะสว่างไปตลอดไม่มีวันเสื่อมหมดไปนี่คือใจของป้าอรหันต์ใจของพระพุทธเจ้ายังสว่างสวายด้วยสวแสงสว่างแห่งธรรมถึงแม้จะไม่มีร่างกาย ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่สว่างด้วยธรรมใจที่เป็นธรรมทั้งแท่งทั้งดวงก็ยังเป็นธรรมอยู่จนบัดนี้และจะเป็นต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดไม่เหมือนกับใจของพวกเราที่จะมืดบอดเป็นส่วนใหญ่ นา น, นานก็อาจจะมีแสงสว่างวับขึ้นมาบ้างในบางเวลาในบางขณะที่ได้ฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมกันแต่ถ้ามันศึกษามันปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปใจที่มืดบอดนี้ก็จะเริ่มสว่างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแลวจะสว่างไปได้อย่างเต็มที่ในที่สุดเช่นเดียวกัน ใจของพ่ะพุทธเจ้าร่ายใจของพระอาหารหันตสาบุกทั้งหลายอย่างแน่นอนไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งใจที่มืดบออนี้ไม่ให้สว่างได้ถ้ามีการเจริญหลักธรรมถ้ามีศรัทธามีวิริยะที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับการเจริญหลักธรรมก็คือการเจริญสติการเจริญสมาธิ การเจริญปัญญาก็จะทำให้ใจที่มืดบ่อนี้เริ่มสว่างขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยจนสว่างได้ทั้งเต็มดวงเป็นพระจันทร์เต็มดวงแต่เป็นพระจันทร์เต็มดวงที่ไม่มีวันมืดไม่เหมือนกับพระจันทร์ที่เรารู้กันเห็นกันนี้จะเต็มเพียงเดียวเดียวพอเต็มแล้วก็จะเริ่มเริ่มค่อยๆยหมดไปแต่ ใจที่สว่างเต็มดวงนี้แล้วก็จะเป็นนิพพานไปเป็นปรมังสุขขังไปไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมอันนี้อยู่ที่การทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจให้กับการเจริญหลักธรรมการจะเจริญหลักธรรมได้ น, นี้ก็ต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเพราะถ้าไม่ตัดก็จะเป็นอุปสรรคว่าจะแย่งเวลาของการปฏิบัติไปนั่นเอง ถ้าทำงานก็ต้องลาออกจากงานถ้ามีความเกี่ยวข้องกับทรัพสมบัติข้าวของเงินทองก็ต้องสละไปอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำเป็นตัวอย่างทรงสละราชาสมบัติสละฐานะภาคของการเป็นราชาโอรสแล้วก็ไปอยู่เป็นนักบวชไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็จะเลิหนักธรรม เปิดจริญสติสมาธิปัญญาถ้าทุ่มเทชีวิตจิตใจยอย่างทั้งหมดให้กับการเจริญหลักธรรมนี้การผลที่จะได้รับภายในเจ็ดปีนี้จะไม่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นไปได้ถ้าไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสไว้ให้เสียเวลาเปล่าๆแล้วก็มีผู้ที่สามารถได้หลักใจนี้ภายในเวลาเจ็ดปีนี้เป็นจนํานวนมาก ก่อนเจ็ดปีก็มีมากมายเจ็ดเดือนก็มีเจ็ดวันก็มีแม้แต่เพียงแต่ฟังธรรมเพียงคำสองคำก็สามารถบรรลุได้ก็มีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ m อีขึ้นอยู่กับปัญญาบรารมีที่ได้สะสมมันมาว่ามีมากมีน้อยถ้ามีมากก็จะรู้เร็วถ้ามีน้อยก็จะรู้ช้าบรรลุช้า แต่ก็จะได้บรรุอย่างแน่นอนถ้ามีความทุ่มเทให้กับการเจริญหลักธรรมนี้เจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาดังนั้นมันอยู่เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติแต่ละท่านจะต้องเป็นผู้ที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเจริญหลักธรรมนี้ถ้าไม่ทุ่มเทก็จะไม่ได้ ถ้าทําเพียงเล็กๆน้อยๆก็จะได้เพียงเล็กๆน้อยๆเหมือนกับตักน้ำใส่ตุ่มถ้าเราตักวันละขันถ้าต้องถ้าต้องตักน้ำร้อยขันก็ต้องใช้เวลาร้อยวันน้ำถึงจะเต็มตุ่มแต่ถ้าเราตักทั้งวันไม่หยุดน้าร้อยขันนี้ก็อาจจะตักเต็มในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่ถ้าเราทิ้งไว้ ปีหนึ่งก็มาตักน้ำสักขันหนึ่งอย่างนี้ก็จะไม่ได้น้ำมากเพราะปีหนึ่งกลับมาน้ำก็ระเหยหมดไปเสียแล้วจันใดถ้าการปฏิบัติของเรานี้เป็นแบบออพอหอมปากหอมคอก็จะไม่ได้พบกับหลักใจเหมือนกับผู้ที่ปฏิบัติตลอดเวลาถ้าปฏิบัติเพียงอาทิตย์ละครั้งเช่นวันพระหรือไม่เช่นนั้นก็ ปฏิบัติวันละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงตอนเช้าหรือตอนเย็นอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยได้ผลมากมายกายกองอะไรเพราะว่าพอพอพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะหายไปต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่มีวันหยุดถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วผลจะเกิดขึ้นแล้วจะได้เป็นกอบเป็นกรรม จึงอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติมากน้อยเพียงไรถ้าเราต้องการผลมากผลเร็วเราก็ต้องทุ่มเทให้มากให้เต็มที่ถ้าเราไม่ทุ่มเทให้มากให้เต็มที่มันก็จะไม่ได้เร็วไม่ได้มากจึงอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเอาอะไรเราจะเอาสิ่งที่ไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจ แต่เป็นที่พึ่งของร่างกายเป็นที่พึ่งของตัณหาความอยากหรือเราจเจ้าที่พึ่งทางใจเ้าจะเอาที่พึ่งทางร่างกายเอาที่พึ่งของความอยากก็ต้องแสวงหาลาบยศสละเส ร, ริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายไปแต่ถ้าจะหาที่พึ่งทางใจก็ต้องละการแสวงหาลาบยศสละเสริ ญ, ญ สละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วก็มาเจริญหลับธรรมมาเจริญสติสมาธิและปัญญาก็จะได้หลับใจจะเอาทั้งสองอย่างนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเหมือนกับการเดินทางจะไปทั้งไปทางไปทิศเหนือและไปไปทิศใต้พร้อมๆกันนี้ไปไม่ได้ ถ้าจะไปทางทิศเหนือก็ต้องไปทางทิศเหนือถ้าจะไปทางทิศใต้ก็ต้องไปทางทิศใต้ถ้าต้องการหลักใจก็ต้องไปทางหลักธรรมถ้าต้องการความสุขทางโลกก็ต้องไปทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะถ้าไปทางโลกก็ไปสู่กับความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปถ้าไปสู่ทางธรรมก็จะไปสู่ความสุขที่เป็นปรมังสุขขัง เป็นความสุขที่ไม่ไม่มีวันหมดสิ้นนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินชีวิตของเราเราเป็นผู้ที่จะตัดสินใจเองว่าเราจะไปทางไหนไปทางซ้ายก็ได้ไปทางขวาก็ได้เราขับรถมาถึงสี่แยกแล้วเราต้องตัดสินใจว่าจะไปทางไหนไปทางซ้ายหรือไปทางขวาสุดแท้แต่จะ ตัดสินใจเอาผลก็จะต้องเป็นตามที่เราตัดสินใจดังนั้นเมื่อได้ผลแล้วก็คือถ้าได้ความทุกข์ก็อย่ามาโทษใครก็ต้องโทษตัวเราเองว่าเราเป็นผู้เลือกทางนี้เองเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเวลาสิ่งที่เรารักเปลี่ยนไปเวลานั้นมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลานั้นก็อย่าไปโทษใคร โทษตัวเราเองว่าเราเลือกทางเดินนี้แล้วก็ไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้เรื่องของความทุกข์ใจนี้เราต้องเมื่อทุกข์แล้วถ้าเราถ้าเรารู้จักดับความทุกข์เราก็ยังดับมันได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักเราก็ต้องทุกข์กับมันไปจนกว่ามันจะหมดกำลังไปถ้าเราเห็นโทษเห็นทุกข์ที่จะตามมาแล้ว เราจะไปทางนั้นเหรือถ้าเรารู้ว่าขับรถไปทางนี้แล้วจะต้องตกเหวนี่เราจะเลี้ยวไปทางนี้หรือเปล่าถ้าเขาเขียนไปว่าทางนี้ไปสู่หน้าผาไปแล้วไม่มีที่กลับรถเราจะไปหรือเปล่านี่แหละคือทางที่พระเจ้าท่งสอนว่าอย่าไปอย่าไปสู่ทางของตันหาความอยากในลาบยศตะรเสริญความอยากใน รูปเสียงกลิ่นลสโถดทธธพะให้ไปในทางของสติสมาธิปัญญาเพราะจะเป็นทางที่พาไปสู่สวรรค์อันสูงสุดขั้นสูงสุดก็คือสวรรค์ขั้นพระนิพพานนี้เองดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุข ที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวารกวาาปุราปารุปเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานางังอุปกาปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุ สัพเพปเรินตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวัจยันตุสัพพารโควินัสสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวาอภิวาฒนสีลิสาลิจังวุฒาปจายโน จตาโรโมาวะทานติอายุวโนสุขังภาลาอ่าด้ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระจางสุชาติอภิชาโตนะครับคำถามจากคุณนุติยานะครับขอสอบถาม เรื่องศีลห้าวันวันหนึ่งของคนเรานั้นมีกิจกรรมหลากหลายทั้งทำงานพบปะผู้คนที่พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างทำให้การรักษาศีลห้าไม่ครบแต่มีเพียงสองถึงสข้อที่ทำได้และตั้งมั่นพอไปบวชชีพราหมณ์เราถือศีลแตดสิ่งที่ทำจะส่งผลบุญให้เกิดเป็นปนุษ เป็นมนุษย์อีกรอบหรือเปล่าคือการรักษาศีลห้านี่เป็นเหมือนตะข่ายหรือเป็นเหมือนกำแพงที่จะกั้นไม่ให้จิตตกต่ำคือถ้ารักษาศีลห้าก็จะไม่ต้องไปใช้บาปในในอบายคือจะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรกนี่คือหน้าที่ของศีลห้า เพียงแต่ไม่ให้ไปไปเกิดในอบายสมมติว่าถ้ารักษาศีลห้าเพียงอย่างเดียวไม่ทําบุญนี้ก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ก็จะได้มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เท่านั้นเองแต่ถ้ารักษาศีลห้าด้วยแล้วทําบุญให้ทานด้วยอันนี้ก็จะทําให้ไปเกิดเป็นเทพก่อนเมื่อเป็นเกิดเป็นเทพเสร็จแล้วพอบุญที่ ที่ได้จากการให้ทานหมดแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ผู้ที่ทำบุญนี่ก็เหมือนกับซื้อตั๋วไปเที่ยวในโลกสวรรค์นี่เองตายไปแล้วก็ไปเที่ยวในโลกสวรรค์ไปเที่ยวในโลกทิพย์พอเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านเดิมของเราก็คือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีฐานะดีกว่าเดิม มีรูปล่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิมผิวพรรณผ่องใสกว่าเดิมมีการเงินการทองดีกว่าเดิมอันนี้เป็นอ น, นิสงส์ที่เกิดจากการทำทานรักษาศีลถ้าทำบาปถ้าทำบาปไม่รักษาศีลตายไปก็ต้องไปติดคุกในอบายไปใช้โทษในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้าง ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของบาปที่เราทำํำถ้าทําบาปน้ําหนักมากก็ไปนรกถ้าน้อยหน่อยก็ไปเป็นเปรตถ้าน้อยหน่อยก็มาเป็นเดรัจฉานเหมือนกับคนที่ไปติดคุกติดตารางนี้ก็ขึ้นอยู่กับโทษที่ทําเอาไว้ถ้าโทษหนักก็ก็ถึงโทษประหารหรือจําคุกตลอดชีวิต ถ้าโทษเบาก็อาจจะสิบปีห้าปีแล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกันบาปที่เราทำนี้ก็มีน้ำหนักที่ต่างกันฆ่าสัตว์นี้หนักกว่าลักทรัพย์ลักทรัพย์หนักกว่าหนักกว่ า, าการโกหกหลอกลวงการประพฤติผิดประเวณีแล้วก็อยู่ที่เหตุผลของการทำบาปเช่นทำบาปเพราะเพื่อจะดารงชีพรักษาชีวิตไว อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นบาปขั้นเดราาัจฉานจะเป็นเหมือนเดราาัจฉานเดรัจฉานนี่เขาก็ต้องฆ่าเพื่ออยู่เพื่อความอยู่รอดเช่นสัตว์ต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ต้องกินสัตว์น้อยเพื่อดำรงชีพอยู่คนที่ทามาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ก็เป็นเหมือนเดราาัจฉานพอตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานถ้าทาด้วยความโลภอยากร่ำอยากรวย แต่ทำด้วยความด้วยการกระทําบาปไม่ทําด้วยความสุจริตเช่นฆ่าผู้อื่นรักทรัพย์อย่าง น, างนี้แต่เพราะความโลภคือไม่ทําก็อยู่ได้แต่อยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีทรัพย์มากๆถ้าทําด้วยความโลภท่านก็บอกว่าจะไปเป็นเปรตแล้วถ้าทําด้วยความโกรธอาฆาตพยาบาทก็จะไปตกนรก นี่เกิดที่ไปของผู้ที่ทำบาปไม่รักษาศี่ห้าแต่สมมุติว่ารักษาศีลห้าแล้วก็ทำบุญด้วยไม่รักษาสีลห้าแต่ยังทำบุญอยู่ยังใจบุญยังชอบใส่บาตรยังชอบอทำทานอยู่ตายไปก็จะได้ก็ต้องไปเกิดในอบายเพราะว่าทำบาปเช่นไปเป็นเดราาัจฉานเช่นคนที่มีอาชีพห้าสัอ ค่าเป็ดค่าไก่ค่าวัวค่าควายทำอาชีพขายข้าวหมูแดงข้าวผัดอะไรแต่ต้องค่าสัตว์ด้วยตนเองค่าไก่ค่าเป็ดอย่างนี้แต่ก็ยังใส่บาททุกวันทำบุญทอดกระถินทอดผ้าป่าบริจาคให้เงินทองกับโรงพยาบาลโรงเรียนให้คนนั้นคนนี้พวกนี้ก็มีทานแล้วก็มีบาปด้วย ตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานอย่างนี้แล้วก็แต่จะเป็นเดรัจฉานที่มีบารมีมีทานบารมีสนับสนุนก็นจะได้เป็นเดรัจฉานที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเป็นที่รักของผู้อื่นเป็นหมา ก, ก็เป็นหมาที่น่ารักมีคนเอาไปเลี้ยงเอาไปนอนอยู่บนเตียงนอนอยู่ในบ้านเลี้ยงเหมือนลูกนี่อันนี้ก็เป็นอนิสงส์ที่ ทีเกิดจากการทำบาปและเกิดจากการทำบุญพร้อมๆกันไปทำบาปเพราะไม่รู้ว่าคิดว่าเป็นอาชีพเพราะว่าต้องทำเพื่อที่จะอยู่รอดก็เลยทำอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่แต่ใจก็ยังมีใจบุญสุนทานมีพระบินฑบานมาก็ใส่บาตรให้มีใครมาเรี้ยลายขอขอบอยจากให้ช่วยเหลือช่วยทำบุญก็ร่วมทำไปด้วยอย่างนี้ ่เรียกว่ายัางมีทานบามีถึงแม้ว่าจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็จะดีกว่าเดรัจฉานตัวอื่นตัวที่ไม่ได้ทำทานพวกที่ไม่ทำทานทำแต่บาทอย่างเดียวเช่นค่าเป็นค่ากายค่าอาชีพเวลาพระบินดาบามาก็ไม่ใส่บาทมีใครส่งซ อ, องพระป่าอาถิ่มาก็ไม่ร่วมทำด้วยตรง น, นี้ตายไปก็อาจจะไปเป็นเดรัจฉานที่รูปร่างไม่สวยงามเช่น เป็นสุนัขที่ก็ามาทิ้งตามวัดอย่างนี้พวกนี้ไม่มีทานบารามีต้องมาอาศัยข้าววัดกินหโดยบางทีก็เลยเห็นได้บ้านขับรถไปเห็นมไหมสุนัขบางตัวไม่มีที่ไปอยู่ข้างถนนไม่มีใครจะจอดรับเอาขึ้นไปเลี้ยงที่บ้านแต่ถ้าเป็นสุนัขที่น้าน้าลักษสวยงามนี่ใครขับรถผ่านก็จะจอดรับขึ้นไปทันทีเลย นี่ก็คือเรื่องของทานกับของศีลแต่ถ้าทำทานด้วยรักษาศีลด้วยเช่นไม่ทำอาชีพที่ต้องค่าหลีกเลี่ยงไม่ไม่ไม่ค่าเป็ดค่าไก่ทำอาชีพที่สุดจะหลอาจจะขายของเก็บขยะมาขายก็ได้สมมติว่าไม่มีความรู้ความสามารถอะไรก็เดินเก็บขยะมาขยะได้ขยะมาก็เอามาเลี้ยงชีพมีเงินเหลือก็ทำบุญด้วย อย่างนี้ตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายก็จะไปสวรรค์ก่อนไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวโลกทิพย์ก่อ น, เ, อนเพราะอำนาจของของทานที่ได้ทำไว้จะสวรรค์ชั้นไหนก็อยู่กับทานที่เราทำว่ามากว่าน้อยถ้าทำมากก็จะขึ้นไปสวรรค์ชั้นสูงถ้าทำน้อยก็สวรรค์ชั้นต่าเหมือนกับเราเที่ยวเนี่ยถ้าเงินน้อยก็เที่ยวแถวในเมืองไทยไปก่อน ถ้าเงินมากหน่อยก็ไปฮ่องกงไปเกาหลีถ้ามากกว่านั้นก็ไปยุโรปไปอเมริกาไปรอบโลกก็ขึ้นอยู่กับาทานที่เราทำนี้ผู้ผู้ถามคงมีความกังวลคราบอาจารย์ว่าสีห้าเนี่ยเขาได้แค่สามสองสามข้อถ้าเขารักษาไม่ครบเนี่ยจะมีผลต่อการเกิดของเขาไหมครับก็มีเลยมันมีโทษอยู่แล้วเนี่ยมันแต่ละข้อมันก็มีโทษของมันอยู่แล้ว เวลาที่พูดว่ารักษาสิ่งทาเนี่ยนะคะหมายความว่าอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเรารักษาสิข่ข้อสามเรื่องมิสาวาเวลาที่บอกผมิสาวาจาร์เี่เวลาเราอ่านเราจะเจอว่ามันทั้งหมายรวมถึงการพูจาส่อเสียทุกโกหกตอนนี้เวลาที่เราบอกว่าเรารักษาสิง่งนั่นหมายความว่าทุกทุกอย่างทั้งโกหกทั้งพูดส่อเสียทั้งอะไรเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับว่าไม่ทําเลยคือรักษาให้บริสุทธิ์หรือว่ายง ท่าทานในสินห้านี่ก็แค่ไม่พูดปดเท่านั้นถ้าสินแปดก็ละเอียดขึ้นไปถ้าสินแปดเขาก็จะให้<ม>ให้รักษาสินที่ละเอียดกว่านั้นแต่สินที่มีมีมีโทษมากที่สุดก็คือการพูดปลดการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ่อเจ้านี้ไม่มีโทษหนเหมือนกับการพูดปดงั้นก็สามารถตีความตามตามที่เขียนได้ ถ้าเราถือศีลห้าก็เราอย่าไปพูดปดก็พอแต่เราจะคุยพูดเพ้อเจอบ้างกับเพื่อนก็ยังไม่เป็นปัญหาอะไร <c oughs> แต่ถ้าอยากจะภาวนาทำใจให้สงบอยากจะขึ้นไปสวรรค์ชั้นพรหมนี่ต้องเลิกพูดเพ้อเจ้อต้องทำใจให้สงบนง <c oughs> อือ ทานนี้ให้ดูที่ใจของเราเป็นหลักว่าเราทําแล้วใจเรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจหรือเปล่าแต่ละคนนี้ปริมาณที่ทํานี้ไม่เหมือนกันเช่นถ้าเป็นคนจนนี้ถ้าทําทานเพียงร้อยบาทนี่ก็จะมีความสุขใจมากแต่ถ้าเป็นเศรษฐีทำร้อยบาทก็จะไม่รู้สึกอะไรต้องทําซับแสนหนึ่งอย่างนี้ถึงจะรู้สึกมีความสุขใจดังนั้นขอให้เราดู เขาเรียกว่าปริมาณเป็นร้อยละเท่าไหร่ของทรัพย์ที่เรามีอยู่เช่นเราทำร้อยละสิบถ้าเรามีล้านหนึ่งร้อยละสิบก็ต้องต้องแสนหนึ่งถึงจะรู้ถึงจะได้ร้อยละสิบแต่ถ้าเรามีร้อยหนึ่งเราก็ทําเพียงสิบบาทเราก็จะได้ความรู้สึกแบบเดียวกันนี่คือความสุขใจที่เราจะได้รับขึ้นอยู่กับปริมาณของทรัพย์ที่เรามีอยู่ว่ามีมากมีน้อย ถ้ามีมากทำน้อยมันก็จะรู้สึกว่ามันไ ม, ม่กระเทือนใจเรามันไม่ถึงใจแต่ถ้ามีน้อยทำแค่นั้นมันก็รู้สึกว่ามันสะเทือนใจเราละมันถึงใจเราอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกเรียกว่าบุญความสุขใจนี้เรียกว่าบุญแต่บาเรามีผลตอบแทนอทนนี่สองนี้มันย่อมต่างกันคนที่ทำแสนกับคนที่ทำร้อยนี่มันก็ต้องได้ผลต่างกัน คือไปเกิดชาติหน้าคนที่ทำแสนก็ต้องไปรับอั น, นได้รับเงินแสนกลับคืนมาคูณด้วยดอกเบี้ยสมมติส่วนคนที่ทำสิบก็จะได้รับเงินสิบกลับคืนมาคูณด้วยดอกเบี้ยเช่นเดียวกันฉะนั้นเรื่องของการได้ได้ทรัพย์คืนมาในภพหน้าชาติหน้านี้ก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราทำแตะในปัจจุบันคือความสุขใจอิ่มใจนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ร้อยละเท่าไหร่ของทรัพย์ที่เรามีอยู่ถ้าเป็นเศรษฐีร้อยล้านทําร้อยละสิบก็ต้องทําอย่างาน้อยสิบล้านถึงจะรู้สึกอิ่มใจแต่ถ้าเป็นคนจนมีร้อยบาททำสิบบาทก็จะมีความรู้สึกอิ่มใจเช่นเดียวกัน อ, อ, อย่างถ้าในกรณีที่แบบ เวลาที่เราฉีดตัว น, นีะอาจารย์มันจะเป็นยืนลอบว่าช้างปีนฉีดทั้งนือเพื่อป้องกันหรือว่าผิดสิ่งไม่ผิดนะถ้าเราป้องกันไว้เวลาที่ฉีดยาเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีสัตว์ตัวอื่นไปโดนยาตายด้วยหรือ่ก็อันนี้ก็เธอขอให้เรารู้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเราไม่มีเจตนาไม่ไม่ได้เจอตัวแล้วก็ฉีดใส่ตัวเขาเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาอะไระ เราฉีดกันไว้ถ้าเขาดือ้อเขาอยากจะได้กินแล้วเขายังยบุกเข้ามาอีกก็เป็นเรื่องของเขาผมผมจะใช้ลักษณะพูดอ้อมๆครับอาจารย์สมมติว่าบอกคนสมมติว่าเรามันมีตัวอะไรอยู่เนี่ยครับจะบอกเขาว่าบอกคนคนดูแลบ้างก็ว่าอันช่วยดูให้หน่อยนะอะไรอย่างี้อย่างนี้จะบาปนะครับไม่บาปแล้ ว, ลวก็พระก็ต้องทำอย่างนี้บางทีปวุกขึ้นขุติท่านก็เรียกเขาว่ามีเขาเรียกกับปยะโมหาน คำว่กัปปิยะโมหันก็คือถ้าเราไม่สั่งไม่ไม่ชี้ไม่บอกเขาไม่สั่งเขาให้ทําไม่ไม่บาปถ้าเราบอกว่าเ อ, อตอนนี้ปลวกมันขึ้นไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาเห็นแล้วเขามีศรัทธาเขาจะมาะกําจัดให้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเขาอาจจะยังไม่ได้อยู่ในสถานะที่เขาจะรักษาศีลเขายังมีการฆ่าสัตว์เป็นปกติของเขาอยู่เขาก็จะคิดว่าเป็นการได้ทําบุญเสียได้ซ้ําไป จากการที่มาช่วยรักษาถาวารวัตถุของพระพุทธศาสนาอันนี้ก็อยู่ที่เจตนาของเขาในเวลาพระที่จะทาอะไรที่ทําเองไม่ได้ก็ต้องใช้กัปปิยโมหานเช่นของที่จะฉันเนี่ยถ้าเป็นของสดที่ยังไม่ที่ยังที่ยังเกิดได้เช่นของที่มีรากเช่นผักชีอย่างนี้หรือผลไม้ที่มีเม็ดอยู่อย่างนี้ ถ้าพระฉันโดยที่ไม่ได้มีการทําลายเป็นก่อนก็ถือว่าทําลายของที่มีชีวิตยั้นก่อนที่จะถวายของที่มีพวกอ่อลาลากของที่มีบาเลสนิ้พระจะถามก่อนว่ากับปียังกโรห oh ิต่าว่าได้ทําให้สมควรแก่การบริโภคหรื อ, อยังโยมก็ต้องทําต่อหน้าพระเช่นหักรากผักชีทิ้งไปแล้วบอก ทำทำแล้วกัปปิยะพันเตเอย่างนี้พระก็ฉันได้แล้วแสดงว่าโยมฆ่ามนแล้วยมฆ่าให้กับพระแทนแะพระไม่ตรงฆ่าแต่สมัยนี้เขาทําเขาทําปอกเปลือกปอกอะไรเอาเม็ดออกหมดแล้วก็เลยก็เลยก็เลยไม่ค่อยมีการใช้กับปิยะวาจากันมาถึงก็ประเคนกันแต่สําหรับพระป่านี่เขาจะเขาจะ ต้องทําเพื่อที่จะได้เป็นการสอนผู้มาใหม่ให้รู้ว่าทําไมต้องทําเพราะว่าถ้าไม่สอนอย่างนี้คนเขาจะคิดว่าผ้านี้ขี้เกียจกินผลไม้เองไม่ได้ต้องให้ญาติโยมปอกเปลือ ก, อกเอาเม็ดออกให้คจริงไม่ได้ขี้เกียจหรอกแต่เพราะว่าถ้าเอาเม็ดถ้ากินผลลไม้ที่มีเม็ดแล้วถ้าเกิดไปกัดมันเข้าไปทําลายเม็ดก็เหมือนเขาถือว่าทําลายชีวิตอาาจรยยกก็่ง เวลาที่เราจะถวายพระเนี่ยเราก็ไม่ตัดก่อนใช่คันคือความจริงอยู่ที่พรนะเนี่ยเวลายมมาถวายพระต้องถามและโยมต้องทำต่อหน้าทำเพียงเม็ดเดียวเป็นตัวอย่างก็พอไม่ต้องทำทุกเม็ดเช่นถ้ามีมีมีขั่วก็ดึงขั่วออกก็ได้ทาให้รู้ว่าเราได้ทําทลายชีวิตมันแล้วน ะ, ะมันตายแล้วพูดง่ายๆก็คือ ความจริงสมัยนี้มันเขาไม่ได้ทำกันมาต่อเนื่องจนทั้งพระไม่รู้แล้วว่าจะทําหรือไม่ทํากันถึงต้องไปอยู่ที่วัดป่าถึงจะรู้ไงถ้าวัดบ้านนี้เขาไม่รู้แล้วหล่ ะ, ะเขาไม่มีการทํากับปยะกันและในเรื่องพวกของผลไม้ของสดต่างๆเหล่ า, านี้ต้องไปวัดป่าวัดป่าก็จะก็จะทํากันทุกครั้งที่ยกของที่มีมีเมล็ดมีรากออกมาณนี้จะต้อง พูดว่ากับเปียงการโอฮิยอมก็จะหักมันปอกเปลือกมันถ่านหน่อยอะไรทำเป็นพิธีท่นเองเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาถือว่าของพวกนี้มีชีวิตแล้วถ้าพระที่มีศีลไปกินก็เท่ากับว่าทุศีล น, นี่เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกคาหาว่าทุศีลก็ให้คารวดทำพิธีว่าได้ฆ่ามันแล้วมันตายแล้วอาจารย์ครับแล้วการ ปาข้อปานานะครับค่าสาปตัดชีวิตถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างเช่นมดมาไตาเราเนี่ยแต่ในถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าเราเอามือไปปัดเนี่ยมดก็จะตายนั่นคือนั่นคือนั่นคือมีสติแต่ถ้าไม่มีสติเนี่ยไม่มีสติเอามือไปปัดโดยอัตโนมัติแต่ว่ามดตายแต่ไม่มีเจตนาตัว น, นี้เป็นบาปเลยครับอาจารย์ เราจะรู้ไงว่ามันมีเจตนะาก็คือมันไม่มีสติ ค, คือมือไปปัดทันทีเลยแล้วก็ตายทันทีคือถ้ารู้ว่ามันคานแล้วไปไปปัดมันก็แสดงว่ามีเจตนะาแล้วแต่ถ้าใบ ป, ปัดมันตัวที่เราไปถูอาบน้ําเสร็จเราถูเนื้อถูอตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวนี่เราไปถูกมันตายอันนี้ถึงเรียกว่าไม่มีเจตนาแต่ถ้ารู้ว่ามันคานอยู่แล้วลาคานมันก็ไปปัดมันอย่างนี้มันมีเจตนาแล้วในกรณีที่เกิดว่าเรา ส่วนใหญ่คนที่โดนกัดเนี่ยจะไม่รู้อะไรกัดจะทันทีปุ๊บทันทีนั่นคือก็มีเจตนาแล้วเจตนาใช่ไหมครับใช่เพราะมันมันมีความรู้สึกแล้วนี่มันมันมันต้องการที่มันที่จะกําจัดความรู้สึกนั้นมันก็มีเจตนาแล้วถ้ามีสติเราก็ใช้เป่าใช้ปัดเอาเราจะได้ไม่ตายข้อนี้ครับคําถามข้อต่อไปนะครับจากคุณโดพามึนนะครับถามแทนคุณแม่นะคะ คือเวลาที่คุณแม่นั่งสมาธิลึกๆออกจากสมาธิจะมีอาการวิงเวียนแล้วก็อ้วกหนักเลยค่ะจนหมดท้องไม่ทราบเป็นเพราะสาเหตุใดและต้องแก้ไขอย่างไรคงไม่ใช่เพราะออกมาจากสมาธิหรอกเพราะถ้าออกมาจากสมาธิแล้วมันจะสดชื่นจะสบายจะอิ่มเอิบใจอันนั้นไม่รู้ออกมาจากอะไร <S <S คำถามข้อต่อไปจากคุณกะนกสีนะครับรูปหนึ่งเสียงหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งผู้ัภาหนึ่งธรรมาลมหนึ่งเป็นบ่วงเป็นบ่วงของพญามารคำถามธรรมาลมหมายความว่าอย่างไรคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่ไม่ได้ผ่านมาทางตาหูจมูกล่างกายก็เรียกว่าเป็นธรรมาลม เช่นนอนหลับแล้วฝันไปเนี่ยฝันดีฝันร้ายนี่ก็เป็นธรรมอารมณ์นั่งสมาธิแล้วปรากฏมีนิมิตต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นธรรมอารมณ์หรืออยู่คนเดียวตามลําพังไม่ได้รับรู้เรื่องราวอะไรต่างๆแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดความค้ายเกิดความโกรธเกิดความอะไรขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมอารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจไม่ได้เกิดขึ้นจากการได้สัมผสัสกับรูปเสียงกลิก่นรสผุดถ้า ข้อสองนะครับเป็นบ่วงของพยามาณหมายความว่ายอย่างไรก็คือพยามาณก็คือมันก็คือผู้ที่จะดึงให้เราไปสู่ความทุกข์นั่นเองมันก็คือผู้ที่จะดึงให้เรานั้นไปเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผุดถภาเห็นรูปสวยก็อยากได้ได้ยินเสียงน่ารักก็อยากจะฟังก็เกิดความอยาก ก็จะไปหารูปที่นักที่ชอบเสียงที่รักที่ชอบมาถ้าหาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็จะหาโดยวิธีทุจริตเช่นเห็นรูปที่สวยงามแต่เป็นสามีเป็นภรรยาของผู้อื่นอยากจะได้ก็ไปแย่งเขามาอย่างนี้ไปประพฤติผิดประเวณีก็จะไปทําบาปทําบาปก็จะเกิดความทุกข์ตามมาถึงแม้ไม่ทําบาปก็เกิดความทุกข์แล้วเวลาเกิดความอยากนิจใจก็กระวนกระวาย ก, กระสับกระส่าย มารก็คือผู้ที่จะทำลายความสงบทำลายความสุขใจเป็นผู้สร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นยนันจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือของมารก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสพุถุพะคำถามข้อต่อไปจากคุณแม้นศรีนะครับหลวงตาเทศว่าโปรดพากันเล่งอย่านอนใจสุขทุกอุเบกขา ปรากฏขึ้นสัมผัสใจเหมือนรูปเสียงเป็นต้นมาสัมผัสตาหูเป็นต้นแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันจิตของเราถ้าไม่ตื่นเงาของตัวเองมันก็ดีเท่านั้นขันทั้งห้าพึงทราบว่าเป็นเงาของจิตจงพิจารณาให้รอบครอบอย่าหลงดีใจเสียใจไปตามสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายหรือใจคำถาม เงาของจิตหมายความว่าอย่างไรก็อย่างเงี้ยสิ่งต่างๆที่จิตรับรู้นี่เป็นเหมือนเงาทั้งนั้นเป็นของปลอมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นร่างกายที่เราเห็นนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดใช่ไหมเด๋ยวสักวันหนึ่งมันก็กลายเป็นขี้เท่าไปกลายเป็นเศษกระดูกไปมันก็เลยเป็นเหมือนเงามันไม่มีความอ่ไม่มีอะไรในในตัวมัน มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราไม่สามารถที่จะไปไปยึดไปติดไปรักษาให้มันเป็นคงสภาพเดิมได้มันก็เป็นเหมือนเงาเป็นของปลอมแต่เราไปหลงคิดว่าเป็นของจริงกันคำถามข้อสุดท้ายประจำวันนี้นะครับจากคุณพิษนะครับเวลาที่ผมนั่ง ส, สมาธิแล้วก็บริกรรมพุทธโธ ลมหายใจเหมือนว่ามันจะตามกับคำว่าพุโทโธจะทำอย่างไรถึงจะแยกลมหายใจออกจากคำบริกรรมได้เพราะเวลาที่เราเร่งความเร็วในการบริกรรมเหมือนว่าจะรู้สึกเหนื่อยครับแต่ทำไมเวลาที่เรากาลังเจริญสติเวลาที่เราทำงานหรือเดินอยู่ลมหายใจกับไม่มารบกวนคำบริกรรมเลย ก็ความจริงแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องใช้พุโทโธควบคู่ไปกับการดูลมหายใจความจริงมันควรจะแยกกันไปอันใดอันหนึ่งถ้าเราคิดว่าการบริกรรมของเราได้ประโยชน์กว่าเราก็บริกรรมพุโทโธไปไม่ต้องไปสนใจลมให้จิตเกาะติดอยู่กับคำบริกรรมจะบริกรรมช้าหรือเร็วก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเราเอาบริกรรมไปผูกไว้กับลม เวลามีความคิดเข้ามาแทรกมากๆเราอยากจะบริกรรมให้ถี่ก็ถี่ไม่ได้เพราะลมมันไม่ถี่ตามเพราะนั้นเราไม่ควรที่จะอาลมกับกับบริกรรมไปผูกไว้ด้วยกันยกเว้นถ้าถูกจริตกับเราแล้วไม่มีปัญหาก็ใช้อย่างนั้นไปได้แต่โดยปกติแล้วมันเป็นกรรมฐานสองชนิดที่ไม่จำเป็นจะต้องมารวมกันเป็นกรรมฐานที่ใช้แยกกัน คือต่างฝ่ายต่างเป็นกรรมฐานอยู่แล้วใช้ลมอย่างเดียวก็ได้ใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้คือได้ผลเหมือนกันอยู่ที่ว่าสภาวะของจิตเป็นอย่างไรถ้าจิตฟุ้งมากๆนี่ดูลมอาจจะไม่อยู่ก็ใช้บริกรรมเอ่ะบริกรรมให้มันถี่ไปแข่งกับความคิดเลยมึงคิดมากูก็จะบริกรรมใส่มึงไปพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็ถอยไปเอง แต่ถ้ามันคิดมากๆดูลมมันก็ดูเดียวแล้วก็ไปคิดต่ออ่างนก็ดูไม่ได้แต่ถ้าบางทีมันไม่คิดมากก็ไม่อยากจะบริกรรมก็ดูลมไปก็ได้เพราะบริกรรมบางทีมันเหนื่อยเมื่อไม่มีความจำเป็นจะต้องบริกรรมก็ดูลมไปอย่างเดียวก็ได้เหมือนกับการขับรถเนี่ยเราต้องคอยเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมขึ้นอยู่กับภาวะของรถว่ามันวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วถ้า ว, วิ่งช้าก็ต้องใช้เกียร์ต่า ถ้าวิ่งเร็วก็ต้องใช้เกียร์สูงถ้าวิ่งเร็วเราไปใช้เกียร์สูงเดียวรถก็พังเกียร์มันก็ลากไปลากเกียร์ไปถ้าใช้ถ้ารถถ้ารถวิ่งช้าไปใช้เกียร์สูงมันก็ดับมันก็วิ่งไม่ได้มันก็จะติดอันนี้ก็เหมือนงานใจเราก็เป็นเหมือนรถว่ามันวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วมันฟุ้งหรือไม่ฟุ้งถ้ามันฟุ้งก็ต้องใช้เกียร์ต่ำสู้กับมันก็ใช้พุทโธสู้กับมันใช้เกียร์สูงสู้กับมัน มันฟุ้งก็ใช้พุโทโธแต่ถ้ามไม่ฟุ้งเราก็ใช้เกียรติตามใช้ดูลมหายใจไปแล้วแต่ภาวะของจิตว่าเป็นอย่างไรหรือบางเวลาถ้าใช้พุโทโธไม่ได้ใช้ลมไม่ได้อาจจะต้องใช้ปัญญาอบลมสมาธิแทนก็ได้แล้วถามตัวเองด้านนี้กำฟุ้งอยู่กับเรื่องอะไรมีปัญหากับใครเช่นถูกก็ด่ามาตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนนี้ยังโกรธอยู่อย่างเงี้ย ก็ใช้ปัญญามาแกะเหมือนว่าเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าเขาด่าเราเอก็ด่าแล้วก็ด่าไปเราเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าถ้าเป็นเราก็มาปรับปรุงแก้ไขเสียก็ต้องยกมือว่า้เขาขอบใจเขาเขาเป็นเหมือนกระจกสองหน้าเราเขาบอกส่วนที่บกพร่องของเราเหมือนชีคุ้มทรัพย์ให้กับเราแทนที่เราจะไปโกรธเขาไปถือถืออัตตาตัวตอนว่าเราใหญ่กว่าเขาเขาเล็กกว่าเราทําไมเขาถึงมาว่าเราอย่างนี้ ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะร ะ, ะงับดับความหงุดหงิดลำคาญใจที่เกิดจากการได้ยินคาด่าของคนอื่นได้ยอมรับความจริงว่าอา้าอย่างน้อยก็คือเราห้ามปากเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ให้ด่าเราไม่ได้หรือว่าสิ่งที่เขาดา่าอาจจะไม่มีเหตุไม่มีผลก็ตามก็เป็นเรื่องอารมณ์ของเขาเขาเกีดเราโกรธเราก็เจอเราเพราะว่าใส่เราเราไปห้ามเขาไม่ได้ เราอย่าไปทุกข์กับเรื่องของเขาสิเรามาทุกข์กับเรื่องของเราเรื่องของเราคือเรานี้เราไปโกรธเขาทำไมเราไปอยากให้เขาไม่ด่าเราทำไมแรือเราอยากจะกลับไปด่าเขาทำไมอันนี้ก็จะทำให้ใจเราฟุง้งใจให้เราไม่สงบพอเราพิจารณาด้วยปัญญาก็จะระงับความฟุ้งได้ใจก็กลับมาเป็นปกติมาดูลมหายใจได้มาพุทธโธได้ต่อไปนี่ก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ หมาแล้วแหละคําถามหมดแครับ อ, อให้ทุกคนมีอย่างเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยในกรณีที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะยุ่ไปคิดเรื่องอื่นนี่ค่ะมันจะถือไหมคะว่าการนั่งสมาธิของเราเนี่ยมันเป็นทั้งกุศลแล้วก็อกุศลเพราะว่าในจังหวะที่เราไปปรงไปหรือเปิดไป เ, ปเปนี่ยมันจะกลายเป็นวิชาสมาธิอันนั้นไม่ใช่เป็นวิจฉาสมาธิมันเป็นการเผยสติเป็นการขาดสติ มิจฉาสมาธินี่คือจิตสงบแล้วไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไปท่องนาลกท่องสวรรค์ไปมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิถ้าสมาสมาธิมันก็ต้องว่างสงบนิ่งเป็นอุเบกขาสมาธิมีสองรูปแบบแต่เวลาจเจริญสมาธินั่งจเจริญสติไปมันก็เผอเผอก็เรียกว่าเผอสติ แต่เรียกว่าอากุศลก็ได้ก็คือมันไม่พาไปสื่อความสงบเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้เป็นมิจชาสมาธิก็สดถามเรื่องพอตายเวลาตาย่ยทำไมบางทีจิตวิญญาณยังโวรเยีงงเยงไม่ได้รับเรียนการพิษฐาก็เขามีความผูกพัานกับสิ่งที่สิ่งที่อยู่ตรงนั้นอยู่ อย่างพระรูปหนึ่งท่านก็มีความผูกพันกับจีวรของท่านเวลาตายไปก็กลับมาเกิดเป็นตัวเลนเกาะจีวร อ, อยู่ก็อยู่ได้เจ็ดวันถึงจะตายไปแล้วถึงค่อยไปคือช่วงตายใหม่ๆนี้ไม่ยังความรักความห่วงอยู่ก็เลยดึนให้กลับมาเกิดเป็นตัวเลงแต่พอเป็นตัวเลนก็รู้ว่าไม่สามารถใช้จีวร น, นั้นได้ตัวเองเป็นตัวแมลงพอตายไปแล้วก็ไปได้ แล้วแล้วอย่างที่ที่ได้ดูตามภาพยนตร์ไรอไ้ที่มันแบบพอตายพวกเนี่ ย, ยมรูสู้จะต้องมารับดีลันอ่าเรื่องภาพยนตร์อย่าไปสนใจเลยนะเรื่องจินตนาการเรื่องนิยายเรื่องของผู้กํากับเรื่องของอ่ามันเป็นได้ทุกรูปแบบเหมือนแล้วแต่ภาวะของจิตว่าเป็นอย่างไรความปกติจิตเนี่ยเวลาตายไปมันจะมีสองฝ่ายมามาดึงไปแย่งแย่งดวงจิตไปฝ่ายบุญ ไฟกุศลกับไฟบาปไฟกุศลฝ่ายไหนมีกำลังมากมากกว่าก็จะดึงไปทางนั้นถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปอบายถ้าบุญมีกาลังมากกว่ามากกว่าบาปก็จะดึงไปสวรรค์ถ้าบากระบุญมีกำลังเท่ากันก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าจิตมีความผูกพันถึงแม้จะมีบุญจะไปสวรรค์ได้ก็ยังไม่ไป พ่ากลับมาหาสิ่งที่ตอนเองผูกพันอยู่งานบดีนะไปยืดรย์เาไปอายัทราให้สามีภรรยาเขาแยกทางกันไม่บออไม่บาปแล้วที่เยาแยกทางกันเฉพาะเขาไปมีนหนหี้อือืไปมีหนี้เพราะเวลามีหนี้แล้วไม่สามารถใช้หนี้ได้ก็ มีการสูญเสียเพราะสูญเสียความรักที่มีความรักต่อกันมันก็จางหายไปคนเราส่วนใหญ่ที่แต่งงานกันก็เพื่อประโยชน์ผลประโยชน์เมื่อประโยชน์ไม่ผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันก็แยกทางกันไปมันเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยเราไม่มีไปเกี่ยวกับเขาเราเพียงแต่ทําหน้าที่ของเราไปเท่านั้นเองคือเราก็ทําถูกกฎหมายถูกศีลธรรมในเมื่อของมันไม่ใช่เป็นของเขาเป็นของเราเราก็ต้องไปเอากลับคืนมา ส่วนเขาจะทะเลาะกันเขาจะแยกทางกันมือม่เปนเรื่องของเขาบางครอบครัวเขาก็ยังกัดฟันสู้กันต่อไปรักกันต่อไปได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรามันเรื่องของตัวเขาต่างหากว่าทำไมเวลามีถึงอยู่กันได้พอเวลาไม่มีแล้วทาไมอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แสดงว่ามาอยู่ด้วยกันก็เพื่อผลประโยชน์เมื่อไม่มีผลประโยชน์แล้วก็ไม่รูจะอยู่กันทาไมไม่เกี่ยวกับเรา แต่เราอาจจะให้ความเมตตาได้ให้ความพูดกับเขาดีๆอะไรอย่างนี้ได้ไม่ต้องใช้อำนาจบาดใหญอ่อย่างนี้ก็แต่เราก็ต้องมีความมีหลักมีมีหลักการของเราต้องยึดก็ต้องยึดอาจจะช้าหน่อยก็ได้วันสองวันก็ได้ให้เขามีเวลาได้เตรียมตัวหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่พอมาถึงปั๊บเอาเลยขับเขาออกไปเลยอะไรอย่างนี้ถ้าเขาขอร้องขอสักวันสองวัน ถ้าเราคิดว่าอยู่ในกรอบของอำนาจของเราที่เราจะทําได้เราก็ทําไปอย่างนี้ก็จะมีความเมตตาก็จะมีบุญก็ต้องทําไปตามตามกฎหมายตามกติกาเขาย่อก็เขาเป็นผู้เซ็นสัญญารับกับวิบากอันนี้อยู่แล้ว เ, เมื่อถึงเวลาเขาจะมาเบี้ยวได้อย่างไรใช่ไหมก็ต้องเห็นใจของเจ้าเจ้าทรรพย์ บ, บ้างดีคนที่เขาต้อง คนที่ก็ต้องให้ซรัพย์เราไปซื้อของเหล่านี้มาเมืในเมื่อเขาไม่เอามาคืนเราเขาก็ต้องหาวิธีเอาทัพของเขาคืนไม่เช่นั้นเดี๋ยวเขาก็เจ๊งเลยเขาก็ต้องแตกแยกกับสามีของเขาเองเลยเพื่อนเป็นหนังแปลงสีแล้วเขาบอกว่าเาจะปแป ล, ส ง, ส ง, ลงสีเกี่ยวกับสอบงานนิการติบิด แล้วช่วงหลังเนี่ยเขามีการแปลเกี่ยกับหลักธํามหลักธรรที่แปลเนี่ยมันดูเหมือนแค่ไม่ค่อยตรงเขาอยากจะทราบว่ามันมีตรงร่วมกันมเรื่องรากับที่เราเป็นคนสื่อให้คนด้วยอ่านในสืที่มันไม่ค่อยตรงก็เหมือนกับว่งคนให้หลงทางเลยถ้าไม่รู้ก็อย่าไปแปลดีกว่าอ่าแทนที่จะพายเข้าไปนี่พานกับพานเข้าไปนรกอย่างนี้ะ เป็นวิชาีิถีเลยครับอาจารย์ก็เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวถ้าเราไม่รู้ไม่มั่นใจเราก็อย่าไปแปลความที่พูดให้ยะแปลนี่ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมแล้วจะดีกว่าอย่าอย่าเข้าใจความหมายจะไม่ได้แปลตามตัวอักษรแปลตัวอักษรนี่บางทีแปลแล้วมันคนอ่านก็งงไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิดได้แต่ถ้าแปลตามตามความหมายเพราะรู้ว่าความหมายนี่มีความหมายว่ายังไงอาจจะไม่แปลตรงตัวอักษรแต่ตรงกับความหมายพาให้ไปให้ได้ผลที่ควรจะได้อย่างนี้ก็จะดีกว่า หมดคำถามแล้วใช่ไหมถ้างั้นก็เอาแค่นี้ก่อนนะไว้อโอกาสหน้าค่อยมาสนทนากันใหม่จันเรนพร